บันนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงมารห้าที่พระผู้มีพระภาคยาาทรงใช้ชนามาแล้วมารประการแรกคือกิเลสสมานได้กี่กิเลสทึงอยู่ในระดับต่าง ทั้ชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดตัวแล้วแต่เป็นมารในฐานะนั้นๆซึ่งจะเห็นได้ว่ากิเลสประเภทหยาบนั้นเป็นมารขัดขวางการปฏิบัติในระดับศีลของบุคคลทั้งหลายถ้าสาปใดที่กิเลสประเภทนี้ยังมีอยู่การปฏิบัติระดับศีลแม้แต่ศีลหประการก็ไปอาจที่จะให้เป็นไปลาย้ด้ดีๆ เราะความรู้สึกภายในที่กอบด้วยความโลภความโกรธความหลงบางครั้งอาจจะสายแรงกระตุ้นจากข้างนอกหรือไม่มีก็ตามมีความคิดในลักษณะรุนแรงมาเกิดขึ้นก็อาจจะกระทําอะไรไปเป็นการล่วงละเมิดศีลหาประการก็ได้ข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อก็ได้อาจจะเป็นเหตุปัจจัยนํำพาบุคคลเข้าสู่ความเสื่อมในด้านต่างๆ คนนี้บินสังเกตว่าพวกกายมุกทั้งหลายที่เป็นปัญหาทาวร อ, อยู่ในโลกนี้ก็เป็นอาการของความโลภ ก, กับความหลงที่ครอบงำจิตใจของบุคคลเหล่านั้นทาให้เขาไม่มีปัญญาพินิจพิจารณาในแก่ของการเทียบเคียงระหว่างสิ่งสองสิ่งเช่นระกลางเล่นการพนันกับการงดเว้นการพนันหรือการได้ การชนะการพ น, นันกับการเสียการพนันเป็นต้นเพราะความโลภครอบงำจิตใจของบุคคลเอาไว้ในขณะเดียวกันตัวความหลงนั้นอยู่เบื้องหลังของกิเลสทั้งหมดการที่บุคคลโลภมากก็เพราะหลงมากการที่บุคคลโกรธมากก็เพราะหลงมากเพราะนั้นความหลงจึงเป็นที่มาของสรรพกิเลสทั้งหลายแต่ยามใดที่ปัญญาบังเกิดขึ้นในระดับหนึ่ง ซึ่งก็หมายความว่าความหลงนั้นได้ลดลงระดับหนึ่งเหตุผลและสติปัญญาที่บุคคลจะใช้ไปในการพิจารณาเทียบเคียงสิ่งทั้งหลายที่ชั้นศีลธรรมจัญยาที่ันใช้คำว่ารูปบาปุลคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นั้นแสดงว่าความหลงในจุดนั้นได้ถูกขจัดออกไปมันเท่าไปแม้ใจใจของบุคคลจะยังมีความโลภอยู่ ต่จะควบปุงความโลภเอาไว้ไม่ให้ถึงกับเป็นการกระทำผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมถ้าก็ต้องการปรารถนาอะไรก็จะใช้ความเพียรพยายามด้วยตัวเองไม่สแสวงหามาด้วยวิธีที่ไม่ชอบไม่ควรซึ่งปัญญาในชั้นนี้เึงสังเกตว่าเชื่อเชื่อในกฎของกรรมโดย เือในผลของกรรมที่บุคคลจะได้รับตามสมควรแก่กรรมด้วยเชื้อวกรรมที่บุคคลกระทาเอาไว้ใครกระทาเอาไว้ก็ตามก็จะต้องเป็นของของบุคคล น, นัน้นเป็นต้นทีนี้พระพุทธเจ้าก็ส่งสอนคําสอนในระดับต่างๆเอาไว้ชั้นศิลธรรมจริยาจึงเป็นคําสอนที่แพร่หลายมากเพราะาปะัญหาใหญ่ในสังคมนั้นอยู่ระดับศิลธรรมจริยา มีการเบียดเบียนมีการรัศดสรายกันในลักษณะต่างๆซึงรุดแล้วแต่เป็นการสะท้อนของกิเลสประเภทโรโปรดหลงทั้งนั้นเพราะนั้นคำสอนจึงเน้นไปในเรื่องเหล่านี้โดยวิธีการต่างๆได้ให้จิตใจของบุคคลมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นโดยการก้าวไปจากศีลไปสู่ธรรมที่เราเรียกว่าเบญจศีลเป็นรธรรม หายความมาจุดเริ่มต้นของการมาทากิีเลตนั้นเริ่มที่เ็นเศีนไปใช้สีเป็นหลักในการควบคุมเอาไว้แต่จริงถ้าใช้สีอย่างเดียวก็ไม่ค่อยจะมั่นคงอะไรเท่าไหร่คล้ายๆกัยืนในที่ที่มินเมตต่อการจะตกลงมาหากมีแรงอะไรมากระแทกแรงๆก็อาจจะตกลงมาได้การปฏิบัติจึงคืบคลานขึ้นไปโดยลาดับ จะแก้ไม่ให้กระทำโดยตัวเองและไม่ใช้ให้บุคคลอื่นกระทำจนถึงก็ไม่ยกย่องสรรเสริญชื่นชมการกระทำของบุคคลอื่นแม้ตนจะไม่เกี่ยวข้องอยู่กต็ตามและจิตใจนั้นจะต้องประกอบด้วยเมตตาในกรณีของศีลข้อที่หนึ่งประกอบด้วยการเลี้ยงชีพชอบเป็นธรรมะในข้อที่สอง ประกอบด้วยการมาสงวนคือการสำรวมระวังในทางการถึงดิ้งง่ของการปฏิบัติที่จริงคนก็คงมีครอบมีครัวอยู่เป็นปกติธรรมดาแต่ว่าให้สำรวมระวังไม่ร่วมนาดแก่อารมณ์มากเกินไปจนถึงมีการประพฤติกระทำในลักษณะที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งข้อที่ส แต่ว่าก็มีการปรับจิตขึ้นไปโดยลาดับเช่นเดียวกันยังอธินาทานก็งดเว้นการถื อ, อสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้โดยตนเองก่อนและในที่สุดก็งดเว้นจากการใช้บุคคลอื่นจื้อเอาพอถึงระดับที่สามก็งดเว้นจากการชื่นชมยกย่องยินดีในคนที่หากินในทางไม่ชอบไม่ควร และแม้ของที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรก็ไม่พอใจที่จะรับหรือมีความยินดีในสิ่งเดีนั้นในจิตก็ข้ามมาอยู่ในจุดของสมาชีพคือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบในแง่ของระดับเบญจศีลเบญจธรจรมข้อต้องการจะให้ผิดกฎหมา ย, ยาให้ผิดศีลธรรมก็ถือว่าเป็นสมาชีพแล้วแต่สมาชีพในระดับอริยงใน มักมีองค์แปดประการก็จะมีความประนีตมากยิ่งขึ้นผ น, นสมาชิกจึงเป็นอริยมรรคในระดับศีลที่เราเรียวกวย่าศีลสละิขะคือข้อปฏิบัติที่จะควบคุมความโลภความหลงของบุคคลเอาไว้ให้อยู่ในจุดที่ไม่เป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตราย็นการคุมที่เข้าถึงใจ ประการเม e. สุมิศาจานก็มีลักษณะพัฒนาขึ้นไปเช่นเดียวกันแต่ในชั้นแรกต้องงดเว้นจากการประพฤติผิดในทางประเภณนีน้ด้วยตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะต้องงดเว้นจากการแนะนําสักชวนบุคคลอื่นให้ประพฤติกระทำในลักษณะนั้นเอถึงจุดหนึ่งก็จะปฏิเสธ คือไม่ชื่นชมยินดีต่อบุคคลซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถึงจะเห็นว่าพอถึงชั้นที่สามเป็นการปฏิบัติที่ค่อนข้างยากเพราะจิตใจของบุคคล น, นั้นมีความเกี่ยวเกาะด้วยชั้นถากติบ้างด้วยโทสากติบ้างโดยพยากติบ้างเช่นบุคคลที่ประพฤติผิดในทางประเวณีมีอำนาจอิทธิพลอยู่มาก บุคคลก็อาจจะแสดงความชื่นชมยินดีเพราะต้องการผลประโยชน์จากบุคคลเหล่านั้นหรือกลัวภัยอันตรายที่เกิดจะเกิดขึ้นแก่ต น, น, น, น, นซึ่งในภาพปฏิบัติจริงๆแล้วในกรณีนี้เราทำเฉยๆซ ก, ก็ได้ที่เรียกว่าไม่แสดงความยินดีหรือความยินร้ายหรือให้ความสำคัญอะไรคือเฉยๆเสีย ก, ก็หมดปัญหาจนถึงจุดหนึ่งก็มีการมาสมบวนด้วยตัวเองนะครับ การมาสังวร น, นั้นสามีก็ยินดีเฉพาะปัญญากว่ตนเองปัญญาก็ผักดีในสามีของตนเองได้ควบคุมได้ถึงจิตใจเป็นการปรับฐานจิตของบุคคลให้เอาชนะกิเลสในระดับความคิดด้ยเพราะถ้าหากว่าจิตยังถูกปรุงคิดหรือคิดปรุงด้วยอำนาจของกิเลสแล้วความสงบระดับกายระดับวิญญา์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ ปัญหาใหญ่ประโยชนที่ความคิดก่อนเสมอไปอย่างที่พระเจ้าทรงใช้กับว่าการนั้นเกิดจากความดับริแม้ความพยายามเองก็เกิดจากความดับดิความอิจาริษยาต่างๆก็ล้วนเกิดจากความดับริหรือความคิดของบุคคลทั้งนั้นเพราะนั้นการแก้ปัญหาเรื่องความรุนแรงของกิเลสในชั้นศีลชั้นธรรมที่เราพูดว่าชั้นศีลธรรม จะเป็การปรับเปลี่ยนความรุนแรงของกิเลสให้ลดลงไปโดยลําดับในกรณีของมุสาวาทก็มีลักษณะเช่นนั้นคืองดเว้นจากการพูดเทด็จโดยตนเองงดเว้นจากการใช้หรือการแนะให้บุคคลอื่นพูดเท็จพอถึงระดับสามก็งดเว้นจากความนิยมชมชอบในการพูดเทด็จทั้งหลาย คนนี้ท่านสาธาชนจะสังเกตได้ว่าเป็นเรื่องที่ปฏิบัติยากเพราะสภาพจริงๆในสังคมนั้นจะนิยมเรื่องเพลยเจอร์เดิลไลต่างๆการสนุกสนานอยู่หน้าจอภาพระยนหน้าจอโทรทัศน์โดยการแสดงการละเล่นต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องไม่จริงแล้วก็หนักไปในทางเพลย์เจอ แต่ว่าเป็นกิจกรรมเป็นธุรกิจที่ให้กำไรมหาศาลแก่คลที่อยู่ในวงการเหล่านี้เราก็เป็นมาดเครื่องวัดว่าสังคมนิยมเรื่องที่ค่อนไปทางร้ายสาระอยู่จานวนไม่น้อยเหมือนกันพันการปฏิบัติในชัน้นนี้ดูแล้วในท้ายจะเรื่องง่ายแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องใช้ กำลังของปัญญามากิึมากิ่งขึ้นเพื่อจะลดความชื่นชมยินดีในกรณีนี้ลงไปข้อพึงคิดในสะหนักก็คือว่าเวลาในชีวิตของเราแต่ละวันก็มีเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นไหนจะต้องพักผ่อนไหนจะต้องรับประทานอาหารจะต้องปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆ ร่างกายจะต้องมีช่วงระยะเวลาหนึ่งพัอนแต่ในขณะเดียวกันการใช้เวลาถ้าหากว่าใช้เวลาสูญเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์เสียสองชั่วโมงก็ขาดทุนไปสองชั่วโมงบางทีไปอยู่ในสถานที่ต่างๆซึ่งไม่ได้สาระประโยชน์อะไรเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งเงินทั้งทองเสียทั้งเวลาไยเป็นจนํานวนมากเราก็แก่ไปเปล่าๆในช่วงนั้น อาจจะแก่ไปสมชั่วโมง4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงแต่ว่าเป็นการแก่ที่ไม่ย้อนกลับคืนมาเวลามันก็หายไปอย่างจริงๆค่าคนชีวิตที่ควรจะได้มันก็สูญหายไปตามก้นี้ท่านสอนให้พัฒนาปัญญาซึ่งขจัดโมหะให้มากยิ่งขึ้นเพราะการดูในเรื่องเหล่านั้นต้องผสมผสานกับโมหะอยู่มาก หมายความจิตใจของบุคคลจะต้องอยอมรับเงื่อนไขที่มีการนําเสนอในกรณีเหล่านั้นกําหนดคนนั้นชื่อนั้นคนนี้ชื่อนี้นะมีมีบทบาทแต่นั้นแต่นี้จิตใจของบุคคลก็ต้องคล้อยตามการนําเสนอของเขาแต่ว่าไม่คล้อยตามการดูการเล่นต่างๆก็ไม่สนุกอันที่จริงก็คืออาการของโลภะอาการของโมฆะอาการของราคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสสมานกันทั้งนั้น ขาอปฏิบัติเหล่านี้เป็นวิธีแก้เป็นวิธีการลดละกิเลสระดับที่ทำให้กระทําผิดทางกายทางวาจาจนถึงกระเพาะหล่นจิตใจกิเลสประเภทที่อยู่ระดับกลางๆคือเป็นเรื่องของความคิดไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อใครข้างนอกแต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตของบุคคลดดนั้น ข้อปฏิวัติในทางพระพุทธศาสนาก็สอนถึงโทษของความคิดในลักษณะนั้นในบุคคลมองเห็นประจักษ์ชัดเจนวันยามใดที่จิตใจถูกเผาลนด้วยอำนาจกิเลสประเภทนั้นๆอย่างที่ทรงอุปมาเป็นรูปธรรมให้ดูว่ากิเลสประเภทโลภคือประเภทขวอยาปรัตนาหาเรา ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นถ้ายัางไม่ได้ไม่มีไม่เป็นมาได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วก็มีความกังวลกังนัตเพลินเพลินยินดีในสิ่งเหล่านั้นพอสิ่งเหล่านั้นแปรผันไปเปลี่ยนแปลงไปล่มตายไปหรือจากไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจกิเลสประเภทนี้จะต้องมีการสนองตอบและตอบแล้วถามว่าตอบสนองยังไงเรียกว่าพอว่าเต็มไปอิม่มแล้วก็ไม่พอไม่เต็มไม่อิ่มไม่หยุด เพราะความพร่องด้วยแรงปรารถนาในอารมณ์ทั้งหลายอย่างที่ทรงแสดงว่าแม่น้ำเสมอได้ตันหาไม่มีเป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางอารมณ์ที่ขวอยควานั้นจะไม่มีจุดจบของตัวเองบ้านบุคคลจึงอยู่ในฐานะคล้ายๆกับเป็นลูกหนี้ที่จะต้องชดชายอยู่ร่ำไปหาโอกาสเป็นไทยเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ได้กิเลสประเภทโทสะ คือความโกรธความไม่ยินดีความผพอใจความหงุดหงิดความรำคาญความมาคาดพยาบาทก็แล้วแต่จะรุนแรงขนาดไหนองอุ ป, ปมาเห็นว่าเหมือนกับโรคภัยที่เกิดขึ้นมาเสียดแทงร่างกายของตัวเองคืนสังเกตว่ายามเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นแม้จะมีคนนั้นเป็นที่รักอยู่เป็นนั้นมากก็ตามแต่ว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเสียดแทงของโรคเป็นเรื่องที่เรารับของเราด้วยคน ด้วยตัวของเราเองไม่มีคนอื่นแบ่งเบาความรุนแรงของโรคภยัยแ่วนั้นให้แก่เราได้ความโกรธที่เกิดขึ้นเผาหลนจิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นมันเป็นเรื่องความคิดภายในคนที่เรากโกรธหรือคนที่เรามุ่งร้ายนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ในขณะนั้นที่แน่นอนที่สุดคือใจเราถูกเผาล่นด้วยความโกรธความอคาตาพยาบาทด้วยต้องการจะจองเวร เป็นความคิดเห็นในชัดเจนว่าเป็นฆ่าสึกตัวตัวเองคือดึงเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมาสู่ใจตัวเองเราร้อนเองคล้ายๆกับบุคคลกํำไฟร้อนๆแล้วก็ร้องวอยวายว่าร้อนในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมวางไฟที่ร้อนซึ่งใครก็คงลวกให้ไหม้ให้เจ็บปวดได้ทุกทรรมาลเดียวกันไปจิตใจที่ประกอบด้วยความมาฆาาพยาบาทก็จะมีลักษณะอย่างนั้น จะดึงอารมณ์เหล่านั้นมาสึกนึกมาเดี๋ยวนึกมาคุ้นคิดมาอาคาดพยาบาทวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนล่าปีแล้วปีล้วคนที่สร้างเวทสร้างภัยให้แก่เรานั้นเขาสนุกสนานอยู่ที่ไหนเขานอนหลับอยู่ที่ไหนเขารับประทานอาหารอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ที่ได้นอนที่สุดคือใจของเราเองถูกเผาลนด้วยไฟที่เราจุดขึ้นมาเองเพราะจึงทรงสอนให้มองเห็นโทษ กิเลสประเภทที่เหนียวนึกตึกนึกเอาหมายความว่าในขณะนั้นไม่ถึงกับไปทําอะไรผิดทางกายทางวิจารอะไรแต่เป็นเรื่องของความคิดเฉยๆกิเลสประเภทโมหะนั้นมีลักษณะเหมือนกับตัวเองตกเป็นทาสของบุคคลอื่นหรือเหมือนกับการติดคุกหรือเหมือนการหลงทางภาพชีวิตของบุคคลที่ตกเป็นทาสก็ดีที่ติดคุกก็ดีที่เดินหลงทางก็ดีนั้น จะหมดความเป็นตัวของตัวด้วยประการทาั้งปวงจะถูกบังคับใช้ถูกเสือกสายปลายถูกข่มคู่คุกคามจากผู้เป็นนายจากผู้ควบคุมดังนั้นการสอนให้มองเห็นโทษกิเลสในลักษณะเหล่านั้นเพราะเป็นมารเป็นผู้ขัดขวางไป็ผู้ตัดรอนเปนผู้ทําลายจนถึงเป็นผู้ข่า แล้วบางทีแรงจนถึงกับฆ่าตัวเองซึ่งก็มีข่าวคราวได้ยินได้ฟังว่าบางคนนั้นประสบความผิดหวังหรือความโศกความเสียใจอย่างรุนแรงหรือความขับแค้นใจอย่างแรงก็ทําอะไรไม่ได้ให้ตัว ก, ก็ไปฆ่าออตัวเองแท น, นที่จะแก้ปัญหามันก็สร้างปัญหาต่อกันไปอาการเหล่านี้ทุ้งหล้วแต่เป็นอาการของกิเลสมาน ซึ่งแต่ละจุดนั้นจะขัดขวางตัดรอนบุคคลไว้ให้มีความเดือดร้อนในช่วงนั้นๆและตัดการตัดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเช่นตัวบรคคนที่อยู่ในช่วงทบงานในช่วงที่ศึกษาแล้เรียนในช่วงปฏิบัติตอย่างอื่นก็ตามแต่ใช้เวลาส่วนหนึ่ง ไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นพวกอบายมุขต่างๆไปต้นเวลาที่จะใช้ไปเพื่อกิจการงานเป็นน้าชี้ของตนก็ก็ขาดไปแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่ถูกแบ่งแยกไปใช้กลับไม่เกิดประโยชน์อะไรอันโอกาสที่จะจบการศึกษาตามที่ตั้งไว้มันก็ไม่แน่ใจแล้วซึ่งอาจจะตกก็ได้หรื อ, อจจะผ่านก็ได้ แล้วแต่ว่าชาช้ไปมากหรือน้อยแต่ถ้าหากว่าปัญญาได้เกิดขึ้นในจุดนั้นหมายความว่าขาจัดโมหะได้ในจุดนั้นอย่างน้อยคนก็จะเกิดความรู้ว่าช่วงไหนควรจะทาอะไรเว น, นี้เราเป็นใครมีทัศมีหนา้าที่ภารากิจจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรได้ปฏิบัติเหมาะสมกับภาระหน้าที่เหล่านั้นหรือไม่ การงานบางอย่างนั้นเป็นเรื่องแม้จะต้องทาก็จริงแต่ยังไม่ถึงการไม่ถึงโอกาสเรพักไว้ก่อนก็หยุดไว้ก่อนเป็นการควบคุมตัวเองเอาไว้ถึงการฏิบาติในลักษณะนี้ที่จริงแล้วคนเราก็มีคุณสมบัติเหลนี้อยู่บางครั้งพระพุทธเจ้าต้องการจะสอนให้บุคคลได้เห็นถึงความจริงในส่วนนี้ทรงเรียกว่าเรียกร่างกายว่าสริระยน คำว่าสรียยนก็พูดง่ายๆเนี่ยปัจจุบันก็เหมือนกับรถยนต์นั่นเองรถยนต์หรือรถไฟหรือยานพาหนะทั้งหลายที่เราใช้ไปในที่ต่างๆนั่นเองมีองค์ประกอบเครื่องประกอบต่างๆเปน็นันมากแม้จะเครื่องประกอบจะดีวิเศษยังไงก็ตามถ้าคนไม่ไปเกี่ยวข้องมันก็ไปไม่ได้เพราะร่างกายของบุคคลเราก็มีลักษณะอย่างนั้น แม้มีองค์ประกอบสลับซับซ้อนลึกซึ้งอย่างไงก็ตามแต่ถ้ามีจิตไม่มีจิตมันก็ไปไม่ได้เพรา ะ, ะนนคนเราที่มีจิตใจเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์นกลไกเหล่านั้นบางยานพาหนะบางอย่างใหญ่โตมหาศาลมากแต่คนเพียงคนเดียวสามารถที่จะควบคุมทิศทางให้เครื่องยนต์เหล่านั้นไปสู่ที่หมายได้ตามที่ตนต้องการ ัอจะเทียบชีวิตเหมือนกับการขับรถไปบนท้องถนนแล้วก็จะพบว่ามันมีสติสมัมปชัญญะรู้เท่าทันในแต่ละขณะว่าตรงนี้จะทำยังไงจึงจะเกิดความปลอดภัยเกิดความสวัสดีไม่มีปัญหาซึ่งต้องสามารถปฏิบัติได้ตามสมควรแก่กรณีนั้นๆเช่นช่วงนี้ควรจะหยุดไฟแดงช่วงนี้ควรจะเลี้ยวช่วงนี้ควรจะ เร่งความเร็วตรงนี้ควรจะวิ่งช้าๆตรงนี้ควรจะหลบตรงนี้ควรจะถอยต่างๆไป็ต้นที่จริงเป็นการปฏิบัติในแต่ละขณะซึ่งไม่เหมือนกันข้อสาคัญอยู่ที่อารมณ์ซึ่งเราสัมผัสเรื่องที่เราสัมผัสในขณะนั้นๆว่าตรงนีมน้มันเป็นที่อะไรเป็นทางเดียวหรือสองทางมีรถสวนมาเร็วหรือมาช้าอ ะ, อะไรต่างๆเป็นการปฏิบัติในแต่ละขณะ ถึงบางขณะมันก็เป็นเรื่องของนาทีสองนาทีเท่านั้นแต่มันจะเกิดได้ทั้งส่วนดีและส่วนที่ไม่ดีเพ ร, ระนุบัตเตีต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ยานผ่านาทั้งหลายที่จริงเป็นเรื่องของนาทีไม่ใช่เรื่องชัง่วโมงมันจะกว่าจะรถรถจะชนกันทีถึงจะใช้จังหวะสโลโ ม, โมชั่นคือกว่าจะเข้าชนกันได้ก็ใช้เวลานานไม่ใช่เช่นกันที่จริงก็เป็นเรื่องนาที นันชีวิตของบุคคลเวลาทรงสั่งสอนในชั้นขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติจึงทรงสอนเป็นรูปขณะจิตเพราะชีวิตของเราเป็นเรื่องขณะขณะที่มาต่อกันไปเป็นแถวคล้ายๆกระแสไฟกระแสน้ํากระแสลมต่างๆก็มาต่อกันเป็นแถวอะไรนั้นเองโดยใใคล้ายเซน ต, ต่างๆที่มาประกอบเป็นส่วนต่งตางๆของชีวิตร่างกายซึ่งก็นับจํานวนไม่หวาดไม่ไหวชีวิตเราก็อยู่ที่ขนาดอย่างนั้น การปฏิบัติจึงเรียกว่าเป็นขณะแม้แต่การบรรลุมรคผล่นนิพพานเองก็เป็นเรื่องขนาจิตการจะตัดสินใจทำตัดสินใจถูกตัดสินใจผิดแต่ละ ก, กรณีนั้นก็เป็นเรื่องขนาจิตคนเราบางทีทำดีมาเป็นนันมากแต่ว่าวูบเดียวของอารมณ์ซึ่งหมายความในขณะนั้นกิเลสมานก็ขึ้นควบคุมจิต อาจจะทําอะไรผิดรุนแรงก็ได้แต่รูปเดียวของอารมณ์อาจจะถึงฆ่าคนก็ได้อาจจะถึงเผาบ้านคนก็ได้อย่างข่าวคราวอันธราลต่างๆที่เกิดขึ้นมันมีไม่น้อยที่เป็นบุบของอารมณ์บุบของอารมณ์ก็คือช่วงขณะหนึ่งก็สองสามนาทีเท่านั้นซึ่งบางทีอาจจะน้อยกว่าสองสานาทีโดยทั่มไปแต่สิ่งเหล่านี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วความรุนแรงต่างๆได้เกิดขึ้นแล้ว แสดงว่าการระมัดระวังมานคือกิเลสนั้นจึงไม่ใช่ระมัดระวังกันเฉพาะช่วงใหญ่เหื่อังจากชีวิตเราก็เป็นขนาดดูง่ายๆก็คือขนาของลมหายใจเข้าออกที่จริงขนาดมันก็สั้นกว่านั้นแต่ขนาดอย่างนั้นก็ดูยากหน่อยก็ดูขนาดของลมหายใจเข้าออกเพราะขนาดที่ลมหายใจเข้าแลลมหายใจออกยังมีอยู่นั้นชีวิตก็ยังมีอยู่ แต่เพราะขณะของลมหายใจขาดไปซึ่งท่านบอกว่าประมาณสี่นาทีแต่นั้นเองก็ตายแล้วสแสดงว่าเมื่อชีวิตมันเป็นขณะอาการของความคิดมันก็เป็นขณะคิดดีมันก็เป็นขณะขณะคิดไม่ดีก็เป็นขณะขณะแต่คำว่าขณะในสำนวนบาลีนั้นมันเร็วกว่าวินาทีคือนับกัน ก็คงจะใช้ภาษาธรรมดานับไม่ได้องก็ต้องดูตัวอย่างง่ายๆที่พอจะสัมผัสได้ว่าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันไปคือขาดติดเดียวมันก็ขาดคล้ายๆกระแสะไฟกำลับบงเดินไปดีคือใครไปทำอะไรให้เกิดปัญหาเกิมานิดเดียวไฟมันก็ดับแต่เวลาดับไม่ใช่ดับเฉพาะตรงนั้นมันมีการเชื่อมโยงไปถึงจุดอื่นมันก็ดับกันได้ตลอดระยะตลอดสายที่มีการเชื่อมโยงกัน ผลคือความสุขความทุกข์ความดีความชั่วที่บุคคลประพฤติกระทําก็มีลักษณะอย่างนั้นคือท่าว่าความดีส่วนใดส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาได้เช่นปัญญาเกิดขึ้นมาได้แต่ความโลภก็ลดลงไปได้ความหลง่ก็ลดลงไปได้ความโกรธก็ลดลงไปได้ในขณะเดียวกันกลุ่มก็ธรรมะทั้งหลายเช่นสติสัมปชัญญะความเพียรกันติความบทนต่างๆก็เกิดขึ้นมาได้ การปฏิบัติควบคุมใจในที่นี้จึงมองไปที่การเห็นโทษของกิเลสมานได้อย่างชัดเจนอาจจะมองอยู่ตัวอย่างบุคคลเรื่องราวต่างๆอ่านข่าวครวในหนังสือหนังสือพิมพ์ในแต่ละวันคือมองสาวไปถึงเหตุคือความคิดที่ให้เขากระทํากรรมเหล่านั้นก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของบุคคล บางทก็อยู่ในจุดที่ค่อนข้างสูงหรือจุดที่สูงแต่เพราะความคิดผิดพลาดมีการกระทําที่ผิดพลาดมีพูดที่ผิดพลาดถ้าเรานั้นก็ตกตามไปหรืบางคนอยู่ดีๆแต่เกิดวุ่นวายอารมณ์ไปทําผิดข้าก็ติดพวกติดตรางไปเป็นต้นจนถึงก็มีการฆ่ากันตายกลายเป็นฆาตากรกลายเป็นอาชญากรไปเป็นต้นนล้วนแล้วแต่เป็นการสะท้อนความรุนแรงของกิเลสออกมา เป็นรูปของการกระทำเป็นรูปของคำพูดคือในชั้นนี้ก็แสดงว่าผิดศีลแล้วทาไมจึงผิดศีลเพราะว่าความรุนแรงของกิเลสนั้นศีลไม่อาจต้านทานไว้ได้เกิดมีการที่ท่านเรียกว่าล่วงหรือละเมิดทำนองคล้ายกับกันก้นน้าเอาไว้แต่ว่าน้ำเกิดพังเขื่อนน้ำก็ล้นเขื่อนเ่านั้นออกไปได้ จิตใจของบุคคลก็เหมือนกันคือการปฏิบัติระดับศีลมีลักษณะเหมือนกระเขื่อนกั้นน้ํามันกั้นไว้ได้ในกรณีที่น้ําไม่แรงเกินไปแต่เวลาแรงมีความกดดันสูงมากเขื่อนก็อาจจะพังลงมาได้แม้เือนใหญ่ๆ ใ, ในปัจจุบันที่ลงทุนก็เป็นจํานวนมากดูแล้วก็ไม่น่าจะพังแต่ก็มีข่าวคร า, าวเขื่อนพังกันอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอาการกดดันอย่างสูงที่มีอยู่เหนือขื่ในจิตใจของบุคคลเราก็เหมือนกันถ้ามีการกดดันอยู่ภายในใจสูงแรงของความโลภแรงของความโกรธและความหลงที่สูงกิลเลสเหล่านั้นก็เป็นมานพร้อมที่จะล้างผลาญพร้อมที่จะกัดขวางพร้อมที่จะตัดรอนพร้อมที่จะทําลายจนถึงระพร้อมที่จะฆ่าฆ่าจากความดีหรือว่า ข้าจากความเป็นคนตลอดถึงทําลายชีวิตคือกรรมฆ่ามัก็หมายหลายระดับเลยกัพราะการศึกษามองเห็นโทษของกิเลสมานในชั้นแรกในชั้นระดับศีลธรรมจัญญาก็คงจะไปขจัดมารไม่ได้คือทำลายมารจริงๆยังไม่ได้แต่ก็ต้องลดความรุนแรงของกิเลสเหล่านั้นลดความรุนแรงของอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ และอยู่ในจุดที่สามารถควบคุมได้เจ้าน้อยก็คุ้มครองใจตนเองไว้ได้ในกรอบของศีลธรรมจริยาจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมเพราะประพฤติปฏิบัติในทางสุจริตทั้งทา ง, ทางกายทั้งทา ง, ทางวาจาและทางใจที่บุคคลทั่วไปสามารถสัมผัสได้การต่อสู้กับกิเลสสมานจึงเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อยาวนาน ศาสใดที่เอาชนะเขาไม่ได้เด็ดขาดโอกาสที่จะพลาดพั้งพ่ายแพ้หรือพั้งพลาดก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลได้เสมอการครองชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะความเพียรที่เป็นหลักใหญ่จะมีความจําเป็นในการดํารงชีวิตของคนดีทั้งหลายต่อจากนี้ไปก็ขอให้ทั้งใจทําความสงบสืบต่อไป